Book 2ส <15. S 3> ิบห้าเปีปัมิผลไม้และอาหารอากลิคอุปาร์ติกัสโปรดักติดิฉันมีสตรอเบอรี่มันอิรเซเมน αι. ดิฉันมีกีวีและแตงโมมันเอร์กีวี่อันเมลดิฉันมีส้มและเกรฟรรปปกรฟรุตมันเอร์แอปเปิ้ลซีนส์อดิฉันมีแอปเปิ้ลและมะม่วงม a n เอร์แอปเ un ้ลส์อัมังดิฉันมีกล้วยและสับประรด อันไอร์บนานสอันนัสดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้เอสกาตัววยอยู่เอากลุสลัดตุสดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง e อสแอดุกตสเตอร์ไมสดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย เอสแอดู s อสเตอร์ไมซี่อาร์สวีสต์ตูดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยมเอสแอดูทอสเตอร์ไมซี่อาร์สวีสตูอุ่นมารดิฉันกำลังทานแซนด์วิชเอสแอดูแซนด์วิดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม e อสแอดแซนด์วิชอัลมาร์การีน่ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใสมาเขือเทศเอสแอดูแซนด์วิชอัลมาร์การีโน่นึนทมัตุเราต้องการขนมปังและข้าวมุมงส a ยกมาอีซีนรีุส เราต้องการปลาและสเต็กมุมสไบยักษ์ซีวิสอันสเตกคัสเราต้องการพิซซาและสปากเกตตีมุมสไบยักษพิซซุอันสปาเกตตีเราต้องการอะไรอีกไหมคูมุมงสเวล์ไวยัก เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปมุม้งสไปกบุลคานุสและทอมาตุสซุปไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตอยู่ที่ไหนคูร์เรร์เลียลเวกัลส์การุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e